บทที่สิรู้ตัวเปิดตาขึ้นเต็มตื่นในยามเช้าอันว่างเปล่าและเงียบเชียบพริกกายเชื่องชาวว้าวาดท่อนแขนให้ผิวเนื้อไหลฟูกล่มละไมเรากับกวาดหาสิ่งยึดเหนี่ยวไม่ให้เควงคว้างแต่ที่พบคือความราบเรียบว่างเปล่าปราศจากวัตถุในฝันปราศจากวัตถุในโลกความจริงใดให้ขวอยขวา้าจึงหยุดสงบตะแคงหน้าน้ำตาซึมกับหมอนแสงสว่างแห่งรุ่งสางกับไอช่าเย็นในห้องนอนเคยปลุกหลอนจากความหลับไหลสู่การลืมตาตื่นสบาย เาว่าครั้งนี้ทุกอย่างต่างไปลานดาวพบตนเองทอดร่างสะอื่นเงียบชาวนี้อาจแปลกที่สุดในชีวิตเสมือนสิ่งรอบตัวที่เคยช่วยกันบรรดานรอยยิ้มกลายเป็นท่อนหินต้องคำสาบคุมขังหลอนให้ติดอยู่กับความเหงาเศร้าหดหูดุดเดียวกับคุกทะมินความทรงจำหากไร้ความทรงจำคงไม่มีที่เก็บภาพบาดใจไม่มีหนามแหลมทิ่มแทงไม่มีสั่เสียงหลอกหลอนในหัว คนเราอาจหนีการไล่ล่าของสัตว์ ร, ร้ายด้วยกำลังขาหรือแหกคุกหลบอาญาได้ด้วยเลขกลนพิสดารแต่ใครเล่าจะหลุดพ้นจากการเกาะกลุ่มของความทรงจําแห่งตนได้ด้วยกําลังกายหรือเลขกลอนอันใดยอดสุดของหลังคาโลกไม่มีอะไรต้องกลัวนอกจากความเหงาและที่ยอดสุดของความเหงาไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนและความอยากตายคนอื่นอาจใช้เวลาในการนอนสมหลายวันหรือเป็นแรมเดือนแรมปีกว่าจะทนเจ็บไม่ไหว แต่สําหรับหลอนผู้ไม่เคยมีภูมิต้านทานทุกเพียงสองามชั่วโมงก็เพียงพอแล้วต่อการสิ้นสุดความอดทนสิ่งที่เคยหวาดกลัวในส่วนลึกเดินทางมาถึงแล้วกระมังคําทํานายของหมอดูอุปการะสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบลันดาบสะดุ้งไหวเล็กน้อยชายตามองไปทางต้นเสียงด้วยแววละห้อยหงอยอย่างรู้ว่านั่นจะไม่ใช่เสียงอรุณสวัสดิ์ทักทายจากมาวันทาปล่อยให้สัญญาณดังอยู่หลายครั้งตั้งใจจะไม่รับแต่แล้วก็เปลี่ยนใจลุกขึ้นหยิบกระบอกโทรศัพท์จากแป้น คิดว่าการได้คุยกับใครสักคนอาจช่วยให้สภาพแช่จมสมสารบรรเทาบ้างสวัสดีค่ะนิโจกพูดครั้งนี้ลานดาวนึกดีใจอย่างประหลาดที่ได้ยินเสียงสดใสของเพื่อนหนุ่มหลอนถือกระบอกไร้สายติดตัวมานอนคุยบนเตียงและตอบรับด้วยหัวใจนิ่มนวลกว่าเคยสวัสดีค่ะโจกเอ๊ะนั่นใครเสียงนุ่มนี้เหมือนนางชีช่วยตามจะมาคุยหน่อยลานดาวหัวเราะออกมาได้วิธีพูดเล่นทักทายของเพื่อนหนุ่มช่วยปลุกสติให้กระเตื้องขึ้น จ้าเองจริงเหรองั้นสงสัยเพิ่งเข้าห้องพระสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเปรตซุ้มเสียงถึงปลาณนีผิดปกติยิงสาวหัวร้อคขำอีกพยายามแต่งเสียงให้เข้าร้องเข้ารอยคนเพิ่งตื่นนอนก็ซึมเศราบ้างสิเธอโทรมามีอะไรหรือเปล่าขอเบอร์มือถือยายเอ๋ยหน่อยสิมีแต่เบอร์เครื่องเก่าน้องที่ชมรมเขาตามหาตัวกันแม้นี่นัดไม่เป็นนัดลานดาวบอกเบอร์เพื่อนสาวไปเพราะเห็นว่าคงเป็นธุระด่วน เธอต้องโทรเองนะโจ๊กอย่าให้คนอื่นเดี๋ยวเอ๋ยมาว่าฉันที่เปลี่ยนเครื่องนี่เห็นว่าเพราหลบใครบางคนอยู่โอเคขอบใจมากแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเื้ยวันนี้ว่างหรือเปล่านนทการชะงักไปใจเต้นระทึกขึ้นมาปุบปับกำลังอยู่ที่ชมรมแต่สองสามชั่วโมงคงเสร็จงั้นทานข้าวเที่ยงด้วยกันไหมความจริงมีนัดกับพักพวกแต่อารามดีใจได้รับการชักชวนจากลานดาวทําให้ยอมเบี้ยวทันทีตอบรับหล่อนโดยไม่มีการคิดหน้าคิดหลัง หรือลำดับความสําคัญกับนัดเก่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นที่ไหนดีละ่ะมารับจ้าหน่อยเล่ากันแล้วค่อยคิดทีหลังนนทการมาถึงก่อนเที่ยงลานดาวปรากฏตัวยืนต้อนรับเขาในชุดเสื้อยืดแขนกุดกับกางเกงยีนรัดรูปอวดผิวเนียนงามกับสัดส่วนไรที่ติซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยนักชายหนุ่มลงจากรถมาไหวพ่อแม่ของลานดาวพอเป็นพิธีครู่หนึ่งก็ชักชวนกันออกจากบ้านหิวไหมถามไถยหญิงสาวอย่างเอาใจใส่ขณะบิดกุญแจสตัดเครื่อง ก็เรื่อยๆกินที่ไหนดีในเมืองชักเบื่อไปบางแสนกันเถอะชมชายฝั่งแกล้มอาหารทะเลเปลี่ยนบรรยากาศมั่งนนทการเลิกคิวสูงอย่างสุดฉงนเพิ่งดูดวงประจำวันในหนังสือพิมพ์กลอบเช้าถูกทำนายทายทักว่าวันนี้ลาภหายหรือได้แห้วอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนจึงพลิกกลับตาลปัดกลายเป็นเกมหาเฮงไปเสียนี่อารมณ์ดีอะไรมาเนี่ยตรงข้ามเลยกาลังเซ็งสุดขีดต่างหากชายหนุ่มหัวเราะ ความจริงเขาทําให้กลับคั่วไปอย่างนั้นเองดูหน้าเพื่อนสาวก็รู้ว่าจืดกว่าทุกวันในรอบปีที่ผ่านมาเกือบนึกน้อยใจที่ตนเองเป็นได้เพียงตะกล้าทิ้งอารมณ์เซ็งแต่พอคิดใหม่แค่มีโอกาสเห็นเรียวแขนเปลืย่ยกับท่อนขาสลักสลเหลาในยินรัดรูปของลานดาวตั้งเพลิงวันอย่างนี้ก็สุดคุ้มแล้วจะด้วยฐานะอะไรก็ช่างหัวเถอะโจกยังไปหาหมอดูอุปการะอยู่หรือเปล่าหญิงสาวถามเหมือนโปรยข้อสนทนาค้าเวลาเล่นเมื่อรถเล่นออกมาได้ไม่นานนักก็ไปอยู่เหมือนกัน ตอนนี้แกกลายเป็นคนดังแล้วจ้าเอ้ยคนเก่ายังมาหาแถมคนใหม่มาเพิ่มอีกเพราะปากต่อปากล่าสุดเราต้องรับบัตรคิวเลยนะเชื่อเขาเลยนี่เห็นสิ้นเดือนจะย้ายไปเปิดสำนักเป็นหลักแหล่งแล้วคงพอมีลูกค้ารายใหญ่อย่างเธอเยอะนะซีพาสาวไปช่วยอุดหนุนพ่อหมอกี่คนแล้วล่ะฮิสาวเสริรอะไรนนทการอ้อมแอมเสียงหนีบลานดาวฟังทีเดียวรู้เลยว่าหล่อนแซลแม่นจึงหยิกต่อพาไปบ่อยๆเถอะแกคงท่ายว่าเป็นเนื้อคู่เข้าสักคน ชายหนุ่มทำเป็นไม่ได้ยินโจกก็ชักนึกเลื่อมใสหมออุปการะเพิ่มขึ้นทุกทีนะไม่ใช่ทายแม่นอย่างเดียวเจอแต่ละทีเหมือนไปให้แกเขี่ยผงออกจากตาขูดสนิมออกจากความคิดเราทีละนิดทีละหน่อยลานดาวทอดตามองไกลและยิ้มเหนื่อยผงในตาแบบไหนยกตัวอย่างสิผงแบบจ้านนั่นแหละล่าสุดกำชับซ้ำว่าอย่าหวังลมลมแรงๆพูดทานองว่าชาตินี้ไม่มีวันได้แอมหรอก นนทาการเล่าไปเรื่อยทว่ายังผลให้ในตาของหญิงสาวทอประกายของกระรอกที่ถูกชี้พลงขึ้นมาแวบหนึ่งเป็นอารมณ์ของคนเคยหวังนักหวังหนาว่าจะมีสักครั้งที่หมอดูอุปการะทำนายทายทักผิดพลาดจังๆเขาพูดคำนี้เลยหรือเพื่อนหนุ่มหัวเราะแห่ๆสารภาพว่าก็ไม่เชิงหรอกฉันพูดให้เป็นภาษาวัยรุน่นถ้าจะเอาเ ป, ะเปะ๊เปะๆคือพอฉันถามแวะเวียนมาเกี่ยวกับเธอหมออุปการะก็บอกว่า ถ้ายังเก็บความหวังไว้เท่ากับยอมรักษาทุกส่วนหนึ่งไว้อย่างเปล่าประโยชน์แกชี้ให้เห็นว่าฉันหลงรูปมากกว่าอย่างอื่นและถ้าลงว่าหลงผู้หญิงที่ความสวยก็แปลว่ากําลังหลงความดีในอดีตของเขาซึ่งเราสู้ไม่ได้หลักการอันดีคืออย่าสู้ในสนามที่ต้องแพ้เพราะเป็นรองเกินไปลานดาวนิ้วหน้าหน่อยหน่อยไม่เข้าใจหลงแต่ความสวยแปลว่ากําลังหลงความดีในอดีตเป็นยังไงอ๋อแกอธิบายทํานองว่าคนเราสวยไม่ใช่เพราะฟุก ไม่ใช่เพราะใครลำเอียงให้คุณสมบัติติดตัวเรามาเปล่าๆของทุกอย่างมันมีเหตุในตัวเองอย่างชาติก่อนเธอมีจิตใจงดงามทำดีมีศีลสัตว์วิญญาณก็เคลื่อนมาคลองอัตภาพที่สอดคล้องกรรมเก่าส่งมาสู่กำเนิดที่สุขขุมและคุมรูปให้สวยสมน้ำสมเนื้อกับความดีเดิมนั้นจนกว่าจะหมดแรงส่งแกให้มองหาความดีในชาตินี้ของจ๊ะด้วยสายตาของมีที่คิดเกื้อกูลกันยิ่งยิ่งขึ้นแล้วทุกอย่างจะลงเอยในทางมงคลทั้งปัจจุบันและอนาคต แล้วชาตินี้ในสายตาของเธอฉันมีความดีอะไรบ้างจ้านะหรออืมก็เป็นคนนนทการพยายามตอบทันทีแบบเอาใจจะได้เป็นการแสดงว่าสายตาของเขาสอดส่องและและเห็นความดีของหล่อนอยู่เสมอถามปุ๊บตอบได้ปรับไม่ต้องเสียเวลาขุดค้นจากซอกหลืบความจำใดถว่าพอพูดสามคำแรกก็เกิดอาการติดตันไม่ทราบจะสรรคายอที่ตรงตามจริงอันใดมากล่าวให้เร็วทันปากที่พร่งนําเป็นสายฟ้าแลบไปแล้วเป็นคน พอเขาซ้ำคํานําเดิมแบบแผ่นเสียงตกรองลานดาวก็โบกมือขึ้นลงเอาล่ะเอาล่ะช่างเถอะยังกับถูกบังคับให้ฝืนอมแตงโมไว้ทั้งลูกที่หลังผู้สบายๆเถอะนะนึกไม่ออกก็บอกว่านึกไม่ออกฉันรับได้ที่ถามไม่ใช่เพราะอยู่ในอารมณ์อยากฟังคําสรรเสริญเสียหน่อยนอนทาการรู้สึกขายหน้าแปล ก, ปกๆที่ค้นหาคําตอบไม่เจออาจเพราะมัวพุ่งเป้าจะเอาความดีชนิดล้ำเลิศประเรสริฐสีมายกยอให้ฟังเป็นที่ชื่นใจปลาโลมให้อุ่นใจว่า ชาติหน้ามีจริงก็ต้องสวยอย่างนี้อีกความจริงถ้าเพียงแต่จะเขียเข่ย์ๆความดีของลานดาวชนิด ด, ดัดๆออกมากองก็คงได้หลายอยู่แตว่านี่ช้าเกินไปแล้วจะคุยออกมาก็คงเหมือนแกล้งเอาใจกันแบบบื้อๆไรรสนิยมเปล่าจึงเล่าเรื่องที่คุยกับหมออุปการรัต่อเพื่อกลบเกลื่อนอาการคิดช้าของตนโจกถามหมออุปการรัเรื่องคู่แท้ด้วยว่าเพราะกรรมอะไรจึงทําให้หญิงชายกลายเป็นคู่แท้ถาวรหมออุปการรับอกว่าคู่แท้ถาวรไม่มีหรอก มันขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทาบุญมากับใครหรือติดหนี้ใครไว้บ้างสลับสัพท์เตียนหมุนเวียนไปเรื่อยถ้าชาติใกล้ทําบุญกับใครมากก็อยู่เย็นเป็นสุขกับคนนั้นยืดหน่อยแต่หากติดหนี้ใครไว้เยอะก็ต้องทนสภาพเหมือนเข้าคุกร่วมกับเขานานปีเช่นกันเสร็จแล้วพอตายจากก็ทางใครทางมันเว้นแต่ระหว่างอยู่ด้วยกันได้ร่วมบุญหรือก่อบาปไว้เสมอกันอีกก็มีสิทธิ์ไปพบกันใหม่ในปรโลกด้วยแรงดึงดูดของบุญและบาปนั้นๆ ลานดาวถอนใจยังหล่อนมีสติรู้จริงได้แค่ว่าลมหายใจเดี๋ยวนี้เป็นขาออกแน่ๆเท่านั้นให้รู้ล้าไปในอนาคตการหรือรู้ย้อนกลับไปยังอดีตชาติล้วนบอดสนิทโดยเฉพาะการเวียนไหวตายเกิดและเหตุผลต้นปลายเกี่ยวกับกรรมเวรทั้งหลายยญิงสาวแค่ตระหนักว่าตนเองไม่รู้ขณะเดียวกันก็เกลียดการจําใจเชื่อคนที่อ้างว่ารู้โดยหล่อนไม่มีสิทธิพิสูจน์เท็จริงด้วยสติสัมปชัญญะของตนเองเลยฟังเรื่องเวียนไหวตายเกิดกับบุญทํากรรมแต่งแล้ววังเวงแฮะ สติสตังแบบมนุษย์ธรรมดาเราทําได้อย่างมากก็เพียงสมัครใจเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนถ้าให้พิสูจน์ด้วยตาทิฟหรือหูทองของสนักไหนก็ลือกันว่าเพียนมากเพียนน้อยทั้งนั้นงั้นก็เลือกเชื่อหลักง่ายๆสิทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําอะไรได้อย่างนั้นถ้าพบชาติคล้อยตามกฎนี้เราก็ได้ชื่อว่าเลือกเชื่ออย่างมีเหตุผลแต่ถ้าพบชาติไม่คล้อยตามกฎนี้เราก็ยังได้ชื่อว่าเลือกเชื่อด้วยมโนธรรมประจําใจของมนุษย์ ไม่ใช่เชื่อด้วยสัญชาตญาณสัตว์ร้ายที่เห็นผิดเป็นชอบและพร้อมบูชาความชั่วเป็นสารณะนนทการแปลกใจตนเองที่สามารถท่องคำของหมอดูอุปการะพูดได้เกือบทุกคำกับทั้งแปลกใจที่ลานดาวสงสัยแบบเดียวกับเขาและเคยไถ่าถามหมอดูอุปการะาไว้ก่อนแล้วหรือว่าที่แท้คนเราสงสัยเกี่ยวกับตัวเองเหมือนเหมือนกันหมดมันก็ไม่หมูนักหรอกนะลานดาวขัดคอแค่บอกว่าทาดีได้ดีทาช่วยได้ช่ว ฟังเหมือนง่ายแต่พอลองเจาะลึกไปในรายละเอียดใครบ้างตัดสินถูกว่าแค่ไหนเรียกทำดีจัดเป็นการเมตตากรุณากันใครชี้ได้แม่นๆว่าแค่ไหนเรียกทำชั่วเข้าขายจองเวรเบียดเบียนเพื่อเอิญฉันถามหมาอุปการะข้อนี้เหมือนกันแหละแกบอกมาสั้นๆแค่ว่าเครื่องวัดอย่างง่ายคือใจทําอะไรเป็นประจําแล้วโล่งอกหรือกระทั่งเกิดปิติสมานะศกับพฤติกรรมนั้นๆเพราะเห็นชัดว่าเป็นไปเพื่อเกื้อกูลทั้งตัวเองและคนอื่น ไม่มีใครเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังอย่างนั้นคือกรรมดีรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่สําคัญกว่าใจในขณะก่อกรรมและรับกรรมลานดาวรีตาเล็กน้อยทําเสียงเหมือนพาดพิงบุคคลสมมุติอื่นไกลตัวอะอย่างพวกเกพวกเลสเบี้ยนละ่ะรักเพศเดียวกันก็ทําให้หัวใจพองโตเกิดปิติสมณัตเหมือนกันแถมอยู่ร่วมเพื่อเกื้อกูลกันฉันคนรักได้ถนัดขึ้นเราจะเอาอะไรไปตัดสินว่าใจที่ยอมเป็นรักร่วมเพศนั้นคือการก่อกรรมดีหรือกรรมชั่ว บางประเทศหรือบางศาสนาพิพากษาไว้ว่าเป็นบาปผิดอย่างมหันาลต้องลงทันสถานหนักทีเดียวโทษฐานกวนสังคมให้เกิดความวิปริตหรือข้อหาเบาวกว่านั้นหน่อยคือไม่ยอมทําตามกติกาสากลของพระเป็นเจ้าผู้สร้างนนทการทําหน้าคลุ้นคิดอืมใครจะว่าอย่างไรมีบทบัญญัติไว้กว้างหรือแคบแค่ไหนไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้จักและมองพวกรักร่วมเพศด้วยตาเปล่าจกว่างานนี้เป็นการรับกรรม มากกว่าการก่อกรรมเพราะรักร่วมเพศยืนพื้นอยู่บนความชอบใจไม่ใช่ยืนพื้นอยู่บนเจตนาเลือกเอาลอยๆว่าข้าจะเป็นรักร่วมเพศเปรียบเทียบแล้วคงคล้ายกับที่ไม่มีใครชอบกินแอปเปิลแล้วได้รับคําชมว่าประเสริฐไม่มีใครรังเกียจองุ่นแล้วโดนหาว่าชั่วช้าเขาแค่ลองลิ้มผลไม้แต่ละอย่างแล้วเกิดความถูกใจหรือไม่ถูกใจมนุษย์ที่ไหนล่ะเจตนาสั่งให้ตัวเองรักหรือเกลียดอะไรได้ สรุปคือกคำชั่วบางอย่างดนใจให้เราชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบหรือชอบเพื่อทนทุกข์ทรมานในภายหลังอย่างนั้นหรือนอนท ก, การหัวเราะตาใสเพราะไม่เคยได้ยินคํานั้นมาก่อนเมื่อคิดตามแล้วก็เห็นจริงกคำชั่วบางอย่างอาจดนใจคนให้ชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบชอบแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์ความทรมานเพียงทายเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงดึงดูดทางเพศน่าจะเป็นหมากกลล่อให้ติดกับง่ายที่สุดน่าจะใช่นะแม้แต่ความชอบใจก็เป็นเครื่องมือเล่นงานเราได้ ย่งบางคู่เจอกันก็เห็นแต่แรกแล้วว่าไปไม่รอดแน่ทั้งเกิดลางร้ายสารพัดทั้งอึดอัดหรือขนลุกเมื่ออยู่ใกล้กันแต่ก็ทนแรงดึงดูดไม่ไหวมีอันต้องได้ถึงเนื้อถึงตัวกันรวดเร็วผิดปกติแล้วก็แยกกันไม่ขาดตั้งแต่นั้นทนทุกทรมานแสนสาหัสร่วมกันเป็นปีหรือเป็นชาติกว่าระคังหมดยกจะดังขึ้นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เพราะบาวเวรแต่หนหลังดนใจหรือเป็นกาวยึดให้แปะติดกันก็ไม่รู้จะโทษอะไรดีกว่านั้นแปลว่า ลงท่ากรรมเก่าจะให้ผลอย่างไรเราก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตายยอมรับคลอกรรมและงอมืองอเท้ารอจนกว่าก ร, รมเก่าจะหมดแรงส่งใช่ไหมอันนี้ยังไม่รู้นะแต่เรามองโลกด้วยตาเปล่าเราว่าคลอกรรมมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือเข้าจู่โจมถึงตัวแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดหาทางหนีเช่นกำลังอ้า ป, ปากจะงับเข้าอยู่ดีๆตึกดันถล่มคลื่นลงมาเพราะวิศวกรกงวัสดุก่อสร้าง อย่างนี้ต้องปล่อยเลยตามเลยในเมื่อกรำเก่าเขาจะมาขอลดอายุหรือทําให้บาดเจ็บพิการด้วยการส่งเราไปติดอยู่ในตึกนั้นเวลานั้นแต่ประเภทที่สองจะ ค, อ ค, อค่อยๆคืบคลานเข้ามาแบบเปิดโอกาสให้ตั้งสติเตรียมตัวหลบหนีหรือป้องกันผ่อนหนักเป็นเบาเช่นกรำเก่าดนใจให้ชอบเล่นพนันและต้องหมดตัวเพราะการพนันถ้าชาตินี้กัดฟันทนไม่เล่นเสียอย่างแบบเดียวกับขี้ยายอมลงแดงตายดีกว่ากลับไปเป็นทาตยา กรรมที่ต้องหมดตัวเพราะการพนันจะมาทำอะไรเราได้ยังไงเราว่าในโลกความเป็นจริงมนุษย์ประสบเคราะกรรมที่พอทนสู้ไหวมากกว่าเคลาะหกรรมประเภทหมดสิทธตรับมืออย่างสิ้นเชิงแต่เรื่องของเรื่องคือคนเรามักปล่อยเลยตามเลยไม่ทำอะไรสักแอะแม้กระทั่งฝืนใจสู้กับตัวเองหรือพอเชื่อเรื่องกรรมก็เชื่อแค่อิทธิพลของพลังลึกลับจากชาติปางก่อนแล้วแทบเลิกศรัทธาพลังที่เปิดเผยให้หวังได้ในชาตินี้ ยิ่งฟังหมออุปการะแจกแจงกรรมเก่ากรรมใหม่ของเราที่เราเองลืมไปแล้วก็ยิ่งเห็นจริงว่ากรรมเก่าอาจทําหน้าที่สร้างฉากละครตอนแรกแต่กรรมใหม่ก็สามารถเป็นตัวกําหนดว่าจะให้เหตุการณ์ดําเนินไปจนถึงตอนจบได้อย่างไรหน้าผาของลานดาวคลายจากอาการตึงเล็ ก, เลกๆเมื่อจับใจความสําคัญได้ว่าถ้าให้สตินําหน้าอารมณ์เสียอย่างเดียวกรรมเก่าทําหน้าที่ได้มากสุดก็แค่ยั่วยวนให้หลงผิดโดยเราไม่จําเป็นต้องถลําตัวเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชั่วเป็นดีหรือเห็นกองจากเป็นดอกบัวเรื่องเลวร้ายส่วนใหญ่ในชีวิตคนอาจไม่เกิดขึ้นขอเพียงไม่ตามใจตัวเองเกินขอบเขตทำนองคลองทาเท่านั้นคำพูดของนนทการมักพาหล่อนออกจากกรงขังทางความคิดได้อยู่เรื่อยเขาจึงมีความน่าเข้าใกล้น่าให้เวลาเสวนาแม่ถูกจัดไว้เป็นมานอกสายตาที่ไม่มีแรงพอจะวิ่งมาถึงเส้นชัยก็ทาให้หล่อนแวะเวียนสายตามาชมด้วยความสนใจลักษณะเด่นอยู่เสมอ ลักษณะเด่นของผู้ชายในบางครั้งก็ฉักใหญ่หรือไขาลานให้กลนจากทางเพศทำงานได้เหมือนกันลานดาวค่อยๆรู้จักตนเองมากขึ้นและพบว่าสำหรับหล่อนแล้ววาจาของชายเราใจได้มากกว่ารูปร่างหน้าตาหลายครั้งใกล้ชิดกับหนุ่มเซ็กซี่สุดๆแล้วรู้สึกจืดชืดอย่าบอกใครแต่ยืนชมจันอยู่เดียวเปลี่ยวกายแล้วกลับปรารถนาอ้อมกอดจากนนทการขึ้นมาได้เคยงุนงงกับเหตุผลต้นปลาย แต่เมื่อสังเกตตัวเองบ่อยๆขณะอยู่กับผู้ชายแต่ละคนก็พอเข้าใจชัดขึ้นทุกทีนั่นคือหล่อนจะไม่ยอมเป็นของผู้ชายไอคิวต่ำกว่าตนเองเด็ดขาดนนท ก, การดูอ่อนแอซื่อซื่อเสื่องๆตอนอยู่ในอารมณ์หลงกับทั้งขาดความมั่นใจในรูปโฉมและฐานะแต่กระพริบตาทีเดียวพอให้โอกาสเขาแสดงสติปัญญาด้วยความเชื่อมั่นว่าหล่อนจะเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเขาก็แปลงร่างเป็นหนุ่มอีกคนที่คมคายดูอบอุ่นน่าฝากใจขึ้นมาได้ทันทีเหมือนกัน คำพูดหลายต่อหลายคำของเขาฟังอยู่ในส่วนลึกและส่วนตื้นของความทรงจําไม่รู้เลือนจึงนับว่าเขามีความฉลาดทางวาจาเป็นสเสน่ห์เป็นความเซ็กซี่และเป็นเหตุผลที่หล่อนเลือกอยู่ด้วยในยามเคว้งคว้างสุดทนเช่นวันนี้หล่อนอาจมีเวรกับเขาอย่างหนึ่งคือเลี้ยงเหมือนม้าใช้เอาไว้ขี่หลังเวลากําลังอารมณ์ร้ายหาที่ระบายไม่ได้ก็ไปลงเอากับเขาหรืออีกทีก็เลี้ยงไว้เป็นหินหลับเคี้ยวสเสน่ห์แบบเดียวกับแม่หมด ที่ต้องหมั่นซ้อมใช้เวทมนต์กันลืมไม่ทราบเป็นโรคจิตชนิดใดเหมือนกันดูเหมือนหล่อนสนุกสนานเป็นพิเศษกับการแกล้งทรมานเขาเห็นหน้าเศร้าๆที่ยังคงจงรักภักดีไม่เสื่อมคลายแม่ถูกทําทารุณสารพัดแล้วสะใจพิลึกชีวิตเหมือนอิ่มเอ็มเปรมสุกยิ่งกับการมีเขาไว้เป็นลูกบอล น, นึกอยากอุ้มก็อุ้มนึกอยากเลี้ยงก็เลี้ยงนึกอยากเตะก็เตะแรงเบาแค่ไหนก็เห็นยังทนมือทนเท้าอยู่ในสภาพเดิมเสมอ คบกับหลอนเขาเป็นฝ่ายสูญเสียมาตลอดหลอนอาจต้องโชดช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้เขาเป็นฝ่ายได้เสียบ้างกระมังลานดาวมองเหม่อออกไปนอกรถครู่หนึ่งก็พึมพำถามอีกแล้วเธอว่าพวกหญิงรักหญิงที่อยู่กินกันจริงจังนี่น่ารังเกียจไห ม, มนนทการเม้มปากตรองโดยปราศจากการเฉลียวคิดว่าเป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวแต่อย่างใดทั้งสิ้นใจหนึ่งก็สงสารอีกใจก็รู้สึกแปลกๆนะจะบอกว่ารังเกียจไหมคงไม่ถึงขั้นนั้น เป็นผู้หญิงยังดีไม่ถูกด่าดเท่าไหร่เห็นคลอเคลียหยาดเยิ้มแบบแฟนแล้วสมัยนี้อาจจะแค่ทําให้ยิ้มมุมปากหน่อ ย, อยๆเพราะภาพไม่ชวนคลื่นไส่นักแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจเคอะร้ายสังคมจะพากันสงสัยตารังเกียจโดยไม่ต้องนัดหมายมีแต่คนสนิทที่ได้รู้จักได้พูดคุยได้เห็นแง่มุมอื่นๆในชีวิตของเขาภาพของความเป็นมนุษย์ที่น่าเห็นใจถึงจะปรากฏชัดกว่าภาพของรักร่วมเพศที่ทําอะไรน่าเสียดสีเอียน ลองแจกแจงให้ฉันฟังได้หมายว่าทำไมรักร่วมเพศถึงน่ารังเกียจจนแล้วจนรอดนุนทการก็ไม่สำเนียกความคลืมนผิดปกติในน้ำเสียงของเพื่อนสาวอยู่นั่นเองนั่นเป็นธรรมชาติของเขาเวลาได้รับโจทย์ให้คิดก็คิดไปและมักให้คำตอบได้ดีมากด้วยแต่พอไม่ต้องคิดก็จะขาดความสังเกตสังกาและบ้ารักไปตามแรงขับของวัยเรื่องของเรื่องคือมันฝืนธรรมชาติอะไรที่ฝืนธรรมชาติย่อมก่อความรู้สึกผิดปกติ ความรู้สึกผิดปกติอาจจี้เส้นให้ขำหรืออาจทำให้มวลท้องอยากแหวะสำหรับหญิงกับหญิงนั้นควรความรู้สึกให้ปั่นป่วนน้อยหน่อยเพราะเป็นเพศที่ไม่ต้องเปลี่ยนบุคลิกมากนักถึงแม้กิริยาวาจาแข่งป๊กยังไงก็พอเห็นได้ในหญิงทั่วไปอยู่แล้วอีกอย่างเพศหญิงมีธรรมชาติหน้าหลงไหลหากถูกหลงโดยเพศเดียวกันก็นับว่าแปลกน้อยทางโหราศาสตร์ระบุด้วยซ้ำว่าดาวประจำดวงของผู้หญิงบางคนส่งกระแสให้เจ้าตัวส่งเสน่ห์มีอิทธิพลแม้กับเพศเดียวกัน อย่างจะไงน้องปีหนึ่งปีสองกลิ้ตกันยังกับแข่งเป่านกหวีดทั้งที่เธอก็ไม่เคยมีมาดทอมบอยกับเขาเลยแค่เท่กว่าเลดี้หน่อยเดียวลานดาวเบนหน้าไปรอบยิ้มใจชื้นอย่างประหลาดเมื่อนึกขึ้นได้ว่าสเสน่ห์ของต้นมีอิทธิพลต่อผู้หญิงด้วยกันโดยอาศัยหลักฐานแวดล้อมเป็นตัวเป็นตนมาชี้ได้มากมายแล้วชายกับชายละ่ะทําไมถึงน่ารังเกียจประโยคคําถามนั้นยิงมาเพื่อไม่ให้นนทการรู้สึกว่าหล่อนสนใจปัญหาหญิงรักหญิงเป็นพิเศษ ชายกับชายนี้ถ้าออกแนวตุด๊ดแนวแต๋วก็สวยเลยเพราะบุคลิกจะถูกปรับให้กระตุ้งกระติ้งผิดแปกจากธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดธรรมชาติในรูปกายของเพศชายไม่ค่อยมีส่วนนุ่มนวลให้นึกอยากอารมณ์เอลยุยหรือทําใจรับได้เท่าไหร่โจกคิดว่าหากกรรมรร้ายเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอยากเล่นงานใครแรงสุดก็จะเลือกจังหวะที่กําลังเป็นชายนั่นแหละทุกถนัดกว่าจังหวะเป็นหญิงมากนักก็จริงนะเป็นหญิงโชคดีกว่าชายหน่อยในกรณีที่มีความเบี่ยงเบน หญิงรักหญิงโชคดีกว่าชายรักชายแต่ก็โชคร้ายกว่าหญิงรักชายตามธรรมชาติวันอย่างคำ่ำหญิงสาวเอียงหน้าอิงศีรษะกับปากของพนักในตาซึมเศร้าลงอีกเธอว่าฉันเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมากไหมอยู่ๆหล่อนก็นึกอยากเปลี่ยนเรื่องจะให้ตอบแบบเพลาๆหรือแบบเอาขวานจามหญิงสาวหัวเราะก่อนตอบหนักแน่นเพื่อสื่อว่าต้องการตามนั้นเอาขวานจามนนท ก, การหัวเราะฮึ่จะรู้ตัวเองอยู่แล้วนี่แต่ก็ถือว่าปกตินะ ความเอาแต่ใจเป็นของคู่กันกับความสวยอยู่แล้วยิ่งสวยระดับเธอยิ่งไปกันใหญ่ไม่รู้เรื่องอื่นใดในโลกกับใครเขาหรอกที่เห็นเป็นอันดับหนึ่งคือความอยากหรือไม่อยากเอาอะไรเท่านั้นลานดาวปิดตาลงถามตนเองเงียบๆว่าถ้อยคำของนนทการเป็นความจริงในทุกสถานการณ์หรือไม่หากขัดกับศีลธรรมหล่อนจะยังมีสานึกผิดชอบช่วยดีอยู่มากน้อยเพียงใด รถแล่นเรื่อยบนทางด่วนข้ามจังหวัดพักใหญ่สองหนุ่มสาวก็มานั่งทานอาหารทะเลที่ร้านริมหาดบางแสนลานดาวมองขอบฟ้าไกลลิบตาอย่างเหม่อลอยมากกว่าร่วมจ้อไปกับเพื่อนชายช่างเป็นวันที่แตกต่างหล่อนเคยนั่งรถนนทการด้วยอัตราของเจ้านายเคยผูกขาดการสนทนาหันเหทิศทางไปตามใจตนเองแต่วันนี้หลอนเห็นเงาร่างตนเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเป็นฝ่ายรับฟังเป็นฝ่ายคิดตามเกือบตลอด ฝ่ายนนทการจ้อเอาจ้อเอาไม่ต่างจากปกลากระดีได้น้ำเขานึกในใจว่าการเป็นเพื่อนสนิทกับคนสวยก็ดีอย่างนี้มีโอกาสฟลุกคล้ายถูกเลขท้าย3ตัวโดยไม่คาดฝันเข้าได้เหมือนกันและถ้าให้แลกจริงๆระหว่างควงลานดาวเที่ยวทะเลกับถูกเลขท้าย3ตัวเขายอมเสียเลขท้าย10งวดดีกว่าเสียโอกาสมากับหลอนนนทการไม่รู้ตัวเอาเลยว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมาจะต้องลืมเรื่องเลขท้าย3ตัวลงสิ้น ในเมื่อเจอโชคระดับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหัวดเข้าใส่เต็มเหนียวเสร็จแล้วโจ๊กล้านดาวหันจากทะเลมาพูดกับเขาแบบปลงใจหลังไคร่กวนครั้งสุดท้ายจำบังกะโลที่พวกเรากับเพื่อนเพื่อนเคยมาค้างคืนกันเมื่อหลายเดือนก่อนได้ใช่ไหมเลยไปห้ารอยเมตรนี่น่ะจะเหนื่อยแล้วก็อยากขับไปงี้พักสักสิบนาทีเดี๋ยวโจ๊กช่วยเดินตามไปทีหลังได้หรือเปล่าหาเอาแล้วกันว่าจ้าจอดรถไว้หลังไหนเคาประตูเรียกแล้วจะมาเปิดให้ชายหนุ่มตกตะลึงจนเข้าหลวงจากปากหลายเมร็ร มองหน้าเพื่อนสาวเหมือนนักมวยเจอหมัดตรงเต็มเบ้าตาปลืนเข้าก้อนโตเกือบไม่เคียวและเพื่อความเชื่อมั่นว่าไม่หลอกตัวเองด้วยความเข้าใจผิดนนทการก็เอ่ยตะกุกตะกักจะนั่งรถมาเหนื่อยโจ ก, ก็ขับรถมานานหน้าน่าจะยิ่งเหนื่อยกว่าถ้าเออของงีบอยู่ข้างๆจะมั่งแต่หลายชั่วโมงหน่อยจะว่าอะไรไหมล้านดาวหลบตาไปทางอื่นขณะกระซิบตอบเหมือนต้องการให้ตั้งใจอ่านเพียงริมฝีปากไม่ว่าแล้วก็แบมือขอกุญแจรถอย่างเงียบเชียบ